เมื่ออายุแกยังไม่มากเท่านี้คือเมืนน่อยังหนุ่มอยู่หลังข้อแกก็ตรงหมืนของพระองค์และเหมือนของคนทุกๆคนตาค้อแกก็สว่างบัดนี้อายุแกมากแล้วประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบปีเลือดเสื่อมเหลื่งร่างกายได้สิ้นไปคล้าเอากำลังบังชาข้แกไปสติสังเปชญะข้อแกก็พร่องไปชีวิตข้อแกก็ค่อยๆปรีลง เหมือนตะเกียมที่หมดน้ำมันไสแห้งมีแต่แสงงัวสลัวลงสลัวลงจะต้องดับอย่างแน่นอนหาไม่ช้าข้อนี้เป็นธรรมดาของอายุพระองค์อย่าสนพระไทยเลยคนอื่นๆเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดหรือฉันนะหรือว่ามีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้พระองค์ผู้ทรงพระคุณทางประเสรศิฐทุกคน เมื่ออายุมากข้าวก็ต้องเป็นเหมือนคนชราคนนี้ถ้าหากว่าเขาอยู่จนอายุเท่านี้ฉันนะบอกฉันหน่อยเถิดหากที่อยู่ต่อไปจะต้องมีสภาพอย่างนี้ด้วยหรือยโสธราของฉันและใครๆที่ฉันรักและรักฉันหากว่าอยู่ถึงอายุแปดสิบปีจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนหรือถูกแล้วพยาขะเหมือนกันทุกคน ความแก่ไม่ได้เลือกเจ้าเลือกไพร่ไม่เลือกคนมีคนจนเศรษฐีหรือขอทานแก่เหมือนกันหมดเมื่อแก่แล้วก็ต้องเป็นเหมือนชายคนนี้เพาคะ โฉมบ้านเมืองเสร็จแล้วไปต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ด้วยพระดํารัสเพียงเท่านี้ราชรถเจ้าชายก็หมุนกลับและเข้าสู่พระราชวังธนงวิจิตแต่พระพักของเจ้าชายนั้นเศร้าหมองเย็นกว่า น, นั้นพระองค์ไม่ประสงค์จะเสวยพระกายาหารใดๆรวมทั้งขนมและผละไม้ที่ทรงเคยโปรดไปทรงเดี๋ยวดูสนมกําลัง แม้แต่พระนางยะโสธราเองพระองค์ก็ไม่ทรงใยดีพระนางยะโสธราทอดพระเนตรพระอาการของเจ้าชายเชนนั้นทูลถามว่าทูลกระหม่อมผู้ประเสริฐหม่อมฉันทางความไม่ดีนางประการใดหรือหม่อมฉันมีข้อบกพร่องอันเป็นเหตุให้ระคายเคืองในพระนิควนบาทประการใดพระพักขอทูลกระหม่อมจึงเร้าหมองไม่ทรงแย้มสวน แม้กับหม่อมฉันซึ่งพระองค์เคยทรงร่าเริงด้วยเคยสนิทสนมด้วยยโสธราอย่าคิดอะไรให้เกินเหตุไปเลยโทษประการใดๆของเธอไม่เคยมีเธอเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่พี่จะหาได้ความสศรหมองของพี่หาสืบเนื่มาจากยโสธราแต่น้อยไม่แต่พี่มาคิดว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องพัดพรากจากกันไปไม่ยกเว้นแม้แต่โยโสทราและพี่อีกหน่อยเถิดเราทั้งสองก็ต้องแก่อ่อนแอในหลังโกงหนังเหี่ยวย่นไม่มีอะไรน่าพิสวงเลยสิ่งที่น่าดูในวันนี้โลท้ายก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากกลัวในวันข้างหน้า ช่วงจริงเความงามความสดชื่นและความอภิรมณ์ต่างๆไปสิน้นเหลือไว้แต่ซากแห่งความสดชื่นจากหัหลังให้เราลึกถึงด้วยความละทึใจเหมือนราตรีอันมืดมิดเครื่องคขบิดบางส จะหาทางให้พ้นจากอำนาจลึกลับคือความแก่ซึ่งต้องเป็นไปในอำนาจของเวลานี้แต่แล้วในราตรีนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ประทับนี่งตลอดเวลาราตรีไม่อาจบังทงหลับและไม่สามารถระนักความกระวนกระวายได้ เชือกงาล้วนเป็นเงินเดินมาจากทิศใต้บนหลังโคจรสารเชือกหนึ่งพระราชโอรสประทับอยู่และเชือกอื่นๆเดินตามม า, ส, า, มมามสมีรถแพรวมีรัศมีรุ่โรอดเทียมด้วยม้าสี่ตัวพ่นขวันขาวออกมาทางจมูกแล้วเชีย่ยวฟองซึ่งเป็นไฟพระสิทธัตถะประทับอยู่เหลือพระราชรถนั้น สลับด้วยรัศมีแห่งมณีรัตและมีสิ่งแปลกประหลาดชิ้นว่าที่กรอบล้อล้อนี้ขนาดนี้หมุนอยู่ประน่ิงว่าจะเกิดเป็นไฟและดนตรีห้าทรงสุบินเห็นกลองตั้งอยู่กลางทางพระราชโอรสใช้ท่อนเหล็กตีกลองนั้นดังกระหึ่มสนานวันไหว คนชราคนหนึ่งมาทํานายให้พระองค์คลายวิตกกังวลว่าพระสุบินนี้ทั้งหมดนั้นไม่ได้มีความหมายไปในทางร้ายตรงกันข้ามจักเป็นนิมิตที่ดีแก่พระองค์พระราชโอรสตลอดถึงแก่โลกคําทํานายมีดังนี้ข้อหนึ่งเป็นนิมิตหมายว่าความเชื่อถืออันงมงายมาช้านาน จกล้มละลายหายไปจะเริ่มรัติประเพณีขึ้นใหม่ข้อสองคดชสามสิบเชือกนั้นหมายถึงมหาบารมีสิบประการของพระราชโอรสเป็นเปี่ยมแล้วพระองค์จักษะราชธานีทำให้โลกทั้งโลกวันไหวตื่นตัวด้วยคำสอนของพระองค์ หมถึงอริยสัจสี่ที่พระราชโอรสจะถือเป็นพาหะนำพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์สู่แดนเกษมและจากความมืดสู่แสงสว่างอันเป็น น, นิรันดรข้อสี่ล้อสี่ล้อนั้นหมายถึงพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ยิ่งของพระองค์เหมือนทองแท้ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นความเป็นทองข้อห้า ความนั้นหมายถึงพระโอรสจะทรงย่งธรรมเพรีให้เกิดกล้องขึ้นในดวงใจของประชาชน นจากการมีพระราชโอรสพระองค์นี้พระองค์จะได้รับสิ่งตอบแทนอนลําค่าซึ่งใครๆจะถวายไม่ได้นอกจากพระราชโอรสพระองค์เดียวพระเจ้าสุโทธทนะได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงปราบพรึ่มพระไทยแต่พอทรงหัวล้านึกถึงว่าทางที่พระราชโอรสจะดีเด่นนั้น ไม่ใช่ทางที่พระองค์ทรงพระประสงค์พระอริทัยของพระองค์ก็ห่อเหี่ยวลงหากพระสุบินิเมตของพระองค์มีความหมายเป็นในทางอำนาจราชศักมีเดชานุภาพเกรียนคลายใหญ่ยิ่งโดยเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วพระาริทัยของพระองค์คงจะเบิกบานอย่างหาที่เปรียบพิได้ ผู้สัง颂พระมีมาทางใดย่ำ น, น้องใจไปทางนั้นอยู่เสมอมีเว้นวายอนิจจาพระเจ้าสุโธธนะพระองค์ไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยสักนิตหรืว่าการกระทำของพระองค์นั้นสมนังการป้องกันสสิทนไม่ให้ส่องแสงในราเตเพน ถ้าไม่มีการเตรียมร่องหน้าเช่นนี้จะนำความหังสาราเริง ม, มาให้ลูกได้อย่างไรพ่อมองไม่เห็นอย่าออกไปเลยลูกครับ ก็ได้สิ่งที่หวังไว้อย่างหนึ่งอาจเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เสมอหากปนุษย์เราสามารถได้อะไรๆตามที่หวังไว้ทุก ป, ประการแล้วใครเล่าจะประสบความทุกข์ความหม่หมอ ขี่ต่างๆเป็นต้องล่าพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อต่อรองของบางคนก็เชื้อเชิญเจ้าชายให้แวะร้านของตนบางกลุ่มยืนเถียงกันด้วยเรื่องอะไรฟังไม่ถนัดบางแห่งทงเห็นสุนัขผอมรือจหลังหุ้มกระดูกซ้ำเป็นโรคเรือนของบุดร่วมเที่ยววิ่งหาเศษอาหารสวนทางกับโคเทียมเกวียนย่างเท้าอย่างอืดอาดผู้ัก สั่คออยู่ไปมาแต่ไม่อาให้แอรุกจะคอได้คนที่นั่งอยู่บนเกรียนก็ตือดโดยไม่เร็วและทิ้งแทนด้วยประตะักพวกกุลีขลของร่างกายกำยำแต่มีท่าทางอิดโรยเหงื่อไหลท่วงกายทิ้งของลงแล้วอ้าปากขอบด้วยความเม็ดเหนื่อยมองไปอีกทางหนึ่งพดหญิงลูกอ่อนทูอ น, น, น้ำบนทิศ มือนอุ้มลูกน้อยติดอยู่ที่เอลท่าทางของเธอนั้นเหน่ยนายตองานหนักและจำเจหมองูนัำ ง, งูคล้องแขนของตนเหมือนสายสัานมีความเด็ดเสียดให้เข้าชมในหัวร้องแต่ตึงเป็นคลื่นคลาวมังูแผ่ผ่านผานคูคอสูงขึ้นพี่หนึ่งในตาและแลบละิ้นมายังคนดูผ่านจุดนั้นไปอีกครู่หนึ่ง มาพบขบวนแห่เป็นทียาวมีดนตรีบรรเลงเพียงแผ่วเบาเพราะสิทธัตถะและนาชนะรีบจ้างเดินไปใกล้ขบวนจึงรู้ว่าเป็นขบวนในพิธีแต่งงานพิธีที่ก่อให้เกิดความสุขสาหรับคนรักกันแต่เอ๊ะทําไม น, นั่นทําไมเจ้าสาวจึงโดนร้องไห้ไปท่ามกลางขบวนที่คนอื่นเขากําลังรื่นเริงกัน ทำไมเจ้าสาวจึงดร้องไห้นะชนะส่งกระสิบเท้านายชน ะ, ค, นะนคุณจะมนะไม่เต็มใจแต่งงานพะยะค่ะมีหรือชนะคุณไม่เต็มใจแต่งงานไม่เต็มใจทําไมจึงแต่งอาจจะถูกพ่อแม่บงังคับให้แต่งกับคนหนึ่งขนาดที่เธอนั้นรักอยู่กับชายคนหนึ่งพะยะค่ะ นิฉนั้นเพื่ออาจจะร้องให้เพราะต้องทัดพลาดจากปิดามาดาไปอยู่ในตระกูลสามีท่ามกลางคนแปลกหน้าพะยะค่ะ ได้ดอกมหมมาบูชาเทวรูปอธิฐานอยู่นานหญิงชรามีในตาทั้งสองแดนชำ้ำแสดงว่าได้ผ่านการเริ่องให้มาไม่น้อยเมื่ออธิฐานเสร็จนางปรนอมอือไว้เพียงอกเอือพักขึ้นดูเทวรูปน้ำตาของนางได้หลหนั่งออกมาอีกครั้งหนึ่งนางเหล๋ยวไม่เห็นชายหนุ่มสองคนนั่งอยู่ใกล้ๆ จ, จึงทักถาม พ่อหนุ่มทั้งสองมาเทวาลัยตั้งใจจะมาอธิษฐานขออะไรหรือหาไม่ได้พระสิท ธ, ธาตอบข้าพเจ้าต้องการมาเพยงชอนเทวรูปเท่านั้นมาถึงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วควรจะอธิษฐานขออะไรสักอย่างสิหญิงชราพูดอุตรีของแกนั้นมองมาทางชายหนุ่มทั้งสองแว บ, บหนึ่ง แล้วก็หลบหน้าดูพื้นด้วยความเอียงคายท่านเล่าต้องการอะไรหรอที่มาอธิษฐานต่อหน้าเทวรูปสักิ์ผิดนี้นายจะน่าถามต้องการให้ลูกชายกลับมาเขาหายไปจากบ้านนานแล้วสองปีเห็นจะได้ก่อนนี้ไม่สู้คลายนักเพราะว่าพ่อเ็ายังอยู่แต่นี่พ่อของเขาเพิ่งตายไปได้สามวันมันนี้เอง พูดแล้วนางก็ร้องไห้สืบอเอือ้อืนขึ้นมาอีกพลางลำพันว่าลูกรักกลับมาหาแม่เถิดไม่มีใครอีกแล้วน้องของเจ้าก็เป็นหญิงจะทำงานหนักเรียองแม่อย่างลูกชายนั้นก็ยากเป็นทีแล้วนางเงยหน้าขึ้นน้องเทวรูปน้ำตาไหลพ ร, ร่าคงอาบแก้มขอเดชะเทวรูปอันศักดิ์สิทธ จงช่วยบรรดาชักมทมลูกชายของข้าให้กลับมาด้วเถิดอาการของนางนั้นนวลน้อยิอง่งขึ้นชวนให้เจ้าชายโอรสแห่งพระนางมายาปล่อยเศร้าไปด้วยเมื่อนางละบุตรซีจากไปแล้วเจ้าชายทอดพระเนตรตามด้วยความสงสารพระไทยของพระองค์นั้นเต็ไปได้ความหดหู่ เหลือบุตรผู้นี้ก็คือคนเห็นใจคนหนึ่งเป็นไข่ทรพิษดิ้นรนอยู่ในกองทุรียเขาเพื่อศีรษาขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็ก้มลงไปอีกปากก็ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามีคนเดินผ่านไปมาเป็นระยะระยะบางคนนั้นไม่ได้เหลยวมองดูเลยบางคนเหลยวมองแล้วก็เดินเลยไปบางคนหยุดยืนดูอยู่ครู่หนึ่ง ทำหน้ารังเกียจแล้วก็เดินเลยไปเช่นกันแต่เจ้าชายิทธตถะที่อาจทนดูได้จึงเข้าประคองผู้นั้นด้วยความปราณีช้อนเทษะของเขาขึ้นแล้ววางผ้าปูพะชาลุของพระองค์ลูบคลำไปทั่วร่างกายด้วยพระทัยกรุณาโดยหวังว่าความเจ็บปวดของเขาอาจจะบรรเทาลงได้บ้างพรางผินพระพักมาถาม น, นายชนะว่า สามะชายคนนี้เป็นอะไรเป็นไข้ทรพิษพยาคาไม่มีใครช่วยก็เลยเขาคงไม่มีญาติพี่น้องลูกหลานเลยกระมังไข้ทอรพิษเป็นโรคที่ติดต่อที่ทุกคนังเกียจพยาคาเขาไม่กล้าเข้าใกล้เกรงจะติดเขาใครเป็นแล้วตายแทบทุกคนหากหายก็มีหน้าตาและรูปร่างเปลือก ไ, ได้วยรอยแผลเจ้าชาย ถอยออกมาเสถิดโรคจะติดพระองค์ดูจากคนทั้งหลายที่เดินไปมาสิไม่มีใครกล้าจับต้องสายคนนี้เขาเป็นคนที่น่ารังเกียจเราไม่มีทางใดที่จะช่วยเขาเลยหรือชนะจะไปให้เขาตายไปเช่นสมรค้างถนนอย่างนั้นหรือเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองขอสุดเด็ดพระเบิดาไม่ได้ช่วยเหลือคนพวกนี้บมื่ไงหรือ เมื่อเขาไม่เจ็บเขาทางานได้เขาต้องเสียภาษีอกรให้หลวงแต่เมื่อเขาเจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีใครช่วยเหลือเขารหรือนายชนะนิ่งไม่กล้าตอบคำถามดีโรคอย่างนี้ในบ้านของเราเป็นกันมากไหมชนะมากเหมือนกันพยาขาเราจะกลุ้มตีแล้วก็จะมีโรคอืน่นอีกมากมายเช่นโรคเลือนโรคฝี โรค ก, กากอัมภาษโรคบิดจะมีโรคอะไรตัว น, นี้อะไรอีกนับไม่ช้วนกลวนกลนในหนูมนุษย์พยาคา พรอทะเลขบวนแหขบวนหนึ่งซึ่งกําลังผ่านมาพระ อ, องค์เงยพระพักขึ้นท่อทะเลขบวนแหซึ่งเดินเป็นแถวช้าๆเรียบประทามรินมน้ำมีคนเดินร้องไห้ข้างหน้าขาบวนมีคนเดินแปรงมดินบรรจุถ่านไฟไวะเต็มข้างหลังมีผู้เปรียดยาตเดินตา ม, ตามเครื่องแต่งกายมีเครื่องหมายไวท้ทกคือชุดขาวมีเสียงร้องดังๆว่า โอรามารามาพี่น้องทั้งหลายจงช่วยกันอ้อนวอนรามาทัดจากนั้นก็มีที่ใ ส, ส่ศพทำด้วยไม้ลวกอันและสารด้วยไม้ไผ่ศพไอนตาพจาความรู้สึกตั้งอยู่บนนั้น เด็ดประเทห ร, ราชโอรสนายชนะชวนพระองค์จะได้ทอดพระเลขของแปลกเราตามขบวนนี้ไปไปดูพิธีเผาศพนริมแม่นม้ำทิ้งนายคนนี้ไว้ที่นี่แหละถึงอย่างไรเจ้าชายก็ช่วยเขาไม่ได้ว่าแล้วนายชนะก็ดึงพระหัตเจ้าชายเดินตามขบวนศบนั้นไปเจ้าชายจะได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น นายชนะพูดต่อศพนั้นถูกนําไปที่ริมแม่น้ำมีปืนกองใหญ่ตั้งอยู่เขาวางศพลงบนกองฝืนนั้นแน่นอนทีเดียวผู้ซึ่งนอนอยู่บนที่ฉนังย่อมจลุกขึ้นมาอีกไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักร้อนครั้นแล้วพวกญาติก็จุดไฟขึ้นทั้งสี่มุมไฟซึ่งค่อยๆติดเข้าลุกลามกองฟืนเป็นเปลวขึ้นจนถึงซากศพ ศพนั้นไม้หนังซึ้นเบ่งพองด้วยน้ำเน่าก็แยกออกกระดูลกทั้งปวงค่อยๆขาดหลุดร่วงไปในที่สุดควันที่หนาก็จางลงเหลือแต่เปลวเพลงิงรุ่งโรดร้อนแรงตอนน่อมาอีกพักหนึ่งก็เหลือแต่ที่เท้าเป็นเท้าฐานกองใหญ่ค่อยๆสุดลงกระดูกอันขาวซึ่งเป็นเศษซากของมนุษย์ เหลืออยู่ตนอยู่กับที่เท่านั้นเท่านี้เองไม่ว่าราชาหรือยาจกหญิงหรือชายลงท้ายเพียงเท่านี้ ปากก็พร่ำว่ารามารามาขอได้โปรดช่วยวิญญาณของผู้นี้ด้วยแม่ตาธรรมได้เออขึ้นท่วมทนพระไทยของเจ้าชายปู้ิสัตว์เพราะ ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าทุกคนทุกแห่งระงมไปด้วยความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจโ<ม>ลากโลกตามเทอบานีคืออะไรทั้งอย่างไรจากได้รัตนวันแห่งชีวิตอันสมควรพวงใจว่าเป็นารางวังที่ชีวิตต้องการอย่างแท้จริงและสุดท้ายพระสิทธะทรงจรินตนาการดังนี้แล้ว ทรงชักชวนในฉนนะพระสหายกลับสู่พระราชวัง ชายทรงทบทวนความรู้สึกเก่าๆที่ได้ไปพบเห็นมาจนกระทั่งดึกก็ม่อาจหลับได้ทรงดมบิ้ถึงความทุกข์ทรมานของมวมนุษย์ทั้งหลายที่ดิ้นรนอยู่เพราะความแรงแค้นอดอยากเพราะความแก่ความเจ็บและความตายอะไรเป็นสาเหตุสำคัญแห่งความทุกข์ทรมานเหล่านั้นความแรงแค้นความแก่ความเจ็บและความตาย พระองค์ทรงตำหนิลึ ก, กซึ้งไปอีกว่าก็อะไรเล่าที่เป็นเหตุให้ความแรงแข็งเป็นเหตุแห่งความแก่ความเจ็บและความตายทําไมคนจึงต้องแรงแข็งต้องแก่ต้องเจ็บและตายน่าจะมีอะไรเป็นมูลเหตุสําคัญอยู่เบื้องหลังมนุษย์หมดทุทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากต่างๆเหล่ า, าบบนี้นะหรือมีทางใด ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากขั้วของความทุกข์เหล่านั้นได้แม้ตัวเราเองก็เถอะคงต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแม้จะต่างกันในทางที่สมมุติว่าเราเป็นเจ้าชายเป็นโอรสแห่งกษัตริย์แต่เรากับคนทั้งหลายก็เหมือนกันในความเป็นมนุษย์สิ่งใดที่มนุษย์อื่นทุกคนหลีกไม่พ้นเราจะพ้นไปได้อย่างไรสรุปก็คือว่า เราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเหมือนกันมีอะไรบ้างไหมที่จะนามาแก้ความแก่แก้ความเจ็บแก้ความตายน่าจะต้องมีอย่างแน่นอนแต่เวลานี้เรายังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรควรรู้ไม่ที่เราจะแสแวงหาทางหลุดพ้นให้แก่ตนเองแล้วช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นด้วย ประโยชน์แก่ความรื่นรมของเราเพกซูทั้งหลายไม่ใช่แต่เพียงจังที่เราได้ใช้อย่างเดียวเท่านั้นที่มาจากแคมงกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้าผ้าหม่มก็ว้นได้มาจากแคมงกาสีทั้งขึ้นเพล็กซูทั้งหลายเขอคอยกั้นเศษประชัดให้เราไม่หวังว่าทั้งการวันและกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องถูกความหนาวความร้อนละ อ, อ่อนย่า หรือน้ำค้างใดๆเลยทิกสูงทั้งหลายมีปราสาทสาหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสําหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสําหรับฤดูรอ้อนและอีกหลังหนึ่งสําหรับฤดูฝนตลอดสีเดือนฤดูฝนเราอยู่แต่บนประสาทนั้นได้รับการบันเทิงด้ยดนตรีต่างๆนักดนตรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีปลุกเชือบบนเลย เพรสุตทั้งหลายในวังแห่งบิดาเราทาตและคนงานได้รับอาหารคือข้าวสุกจากข่าซาลีเจียได้เนื้อแต่ในที่อื่นอื่นนั้นเขาให้เพียงข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่ทาตและคนใช้แม้เราจะได้รับการทะลุถล่มตามใจที่เพีีแต่เราก็ยังคิดปุทุนชนที่ไม่ได้สดับทั้งๆที่ตัวเองจะต้องแก่ ไม่หลุดพ้นความแก่ไปได้แต่เมื่อเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิดหน้าระอาใจได้นึกถึงตัวเองเงินว่าถึงตีตนเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่หลุดพ้นความแก่ไปได้ข้อที่คิดติดหน้าระอ า, าระเกียดนั้นไม่เป็นการส่วควรเลยเมื่อเราพิจารณาได้ดังนี้เราก็หมดความมัวเมาในความเป็นหนุ่ม ในเรื่องของความเจ็บไข้และความตายก็ทำานองเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงความเจ็บไข้และความตายทั้งของคนอืน่นและที่จะต้องมาถึงตัวเราเองแล้วทำให้เราหมดความมัวเมาและความไม่มีโลกและในชีวิต กางูเราไม่ได้ทเยอทยานตามขาเหล่านั้นเลยเราไม่ยินดีในการบริโภคกางเลยเพราะเหตุใดดูก่อนนาคันติยะพวกคนที่ยินดีได้เสิ่อน่ายินดีที่กาสจากกลามหรือกาสจากอภิษณแล้วก็ยังเลวสามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามข า, ม า, ามเหล่านั้นไม่ใจดีต่อกลางเหล่านั้นเหมือนเทพบุตรได้เสวยกลามอันเป็นที่ ส่วดีกว่าประเนื้อกว่าการเป็นของมนุษย์เมื่อมองเห็นมนุษย์ผู้นั่งข้างๆพร้อมกักามมาคุณก็ไม่เกิดความยิน ด, ดีพอใจฉะนั้นดูก่อนมหานามาก่อนที่เราจะได้ตัดสู่แม้จะมีสติอรึกได้อยู่ว่าการทั้งหลายมีรสที่น่ายิน ด, ดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากแต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุขอันเกิดตปพีติหรือทำอื่นที่สงบ ยิ่งกว่าปีติสุขนั้นหนึ่งเราจึงสเสวยแต่กา ร, รมและอกุศลธรรมอย่างเดียวเราจึติดอยู่ในกา ร, รมไม่รู้จำแจ้งในกา ร, รมทั้งหลายต่อมาเราได้เห็นจริงว่ากา ร, รมทั้งหลายมีรสที่น่า ย, ยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคงมากมีโทษร้ายแรงมากเราจะไม่อะไรในกา ร, รมรู้จำแจ้งในโทษของกา ร, รมทั้งหลาย สูความเสดหายผุนในข้อรี้เป็นความจริงที่บุคคลเป็นอังมากในใช้ชีวิตค่อยาไปสูตรมามากแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็เชื่นกัน องรงอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นพระไทยบัณฑิตานี่แล้วเป็นทาใการประเสริฐภาพที่เองเป็นสมัยเทพเจ้ า, าได้ส่งมาเพื่อกระชากเส้นผมที่บางตาเราอยู่ให้เราได้เห็นภูเ ข, ขาขณะนั้นความราู้หน้าที่ต่างๆซึ่งเคยศึกษาสมัยได้อยู่ในสำนักของอาจารย์นิสวาณิตก็เคลื่อนย้ายทยอยเป็นข้ามสู่พระไทยขับไล่สิ่งปิดบังต่างๆให้พลาดสถาการไป วันนั้นเจ้าชายกลับสู่พระราชินีด้วยความหวังไอันเจิดจ้าหวังว่าทางออกไอ้พวกองสองมองหาอยู่เป็นเวลานาน น, นั้นพวกองได้พบแล้วส่งแม่พระไทยว่าจะเป็นทางปลดเปลือกพระงพองค์เองออกจากกองทุกข์แ ล, แล้วจะได้ช่วยปลดเปลืกอกเพื่อนผู้รบกุกันต่อไปแน่นอนทีเดียวผู้จีปลดเปลือกทุทกข์ออกจากตนเองไม่ได้จะช่วยปลดเปลืกอกผู้อื่นได้อย่างไร พู้ที่มีทุกเพียรแย่ใจในตนจะมอความสุขให้ผู้อื่นได้อย่างไรเจร้าชายรัชทา ย, ยาทแห่งแคว้นส ก, ก่าทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องสละโลกออกมันประชาตามแบบนักพรตที่พระองค์ได้โทษพระแด้วยความเลื่อมใสเมืกก่อกลางวันที่ผ่านมาทั้งนี้เพือ่อแสวงหายาพิเศษแก้โรคคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายมนยายาความไข้าทางจิตคือโรค โกรเอังคร ม, ม, มรามนุษย์หลายมาเป็นเวลานานแสนนานมาแล้ว จากได้พิจารณาเลือกเฟ้นอยู่เป็นเวลานานแล้วคณะที่ปรึกษาได้กล่าวตรองคมทูลว่าอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชประสงค์นั้นเห็นควรเป็นอาจารย์วิศวรมิตรผู้ได้รับการยกย่องมานานเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนชาวก บ, บิลพัฒน์ควรที่พระราชเิยรสจะทรงถือเป็นพระอาจารย์